นกทองก็ล้ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีราชาที่มีต้นแอปเปิ้ลที่มีค่าที่สุดในโลกต้นนั้นมันออกผลเป็นแอปเปิ้ลทองทุกวันชาวสวนจะไปนับแอปเปิ้ลและรายงานกับราชาแอปเปิ้ลหายไปนะท่านราชาโกรธมากเมื่อชาวสวนบอกเขาว่าแอปเปิ้ลหายไปโจนมันจะต้องโดนลงโทษ คืนนั้นชาวสวนให้ลูกคนโตของเขาไปเฝ้าต้นแอปเปิลแต่ตอนเที่ยงคืนลูกของเขาเพลอหลับไปเช้าวันถัดมาแอปเปิลก็หายไปอีกลูกหนึ่งม่อมฉันจะให้ลูกชายคนรองไปเฝ้าวันนี้ค่ำคืนมาถึงและลูกชายคนที่สองก็หลับลงตอนเที่ยงคืนเหมือนกันและถึงเชา้าแอปเปิลก็หายไปอีก ลูกคนที่สามคนเล็กของชาวสวนเสนอที่จะเฝ้าต้นแอปเปิลคืนนั้นมาเลยไอ้โจรขโมยแอปเปิลดาหน้าเข้ามาเมื่อนาฬิกาเดินถึงเที่ยงคืนเขาก็ได้ยินเสียงกระพือปีกกลางอากาศและมีนกตัวหนึ่งบินมามันเป็นสีท่องบริสุทธิ์และตอนนั้นมันกำลังกินแอปเปิลด้วยปากของมันลูกชายของชาวสวนรีบวิ่งกระโดดยิงธนูใส่มันแต่ธนูทาอะไรมันไม่ได้ แต่มันทำให้คนทองของนกหลุดออกมาและบินหนีไปขนนกสีทองถูกเอาไปให้ราชาเมื่อตอนเช้าและเขาเลยเรียกคณะรัฐมนตรีมาทุกคนเห็นด้วยว่ามันมีค่ากว่าทุกอย่างในอาณาจักรขนนกขนเดียวไม่มีประโยชน์หรอกข้าต้องได้นกทั้งตัวใครมันกล้าพอที่จะเอานกทองนั่นมาให้ข้า ลูกคนโตก็เสนอตัวรับภารกิจบรอวและลูกคนโตก็ออกเดินทางหานกทองเมื่อเขาไปที่ป่าข้างป่านั้นเขาเห็นจิ้งจอกนั่งอยู่เขาเลยเอาธนูออกมาจะยิงมันอย่ายิงข้าข้าจะให้คำแนะนำกับเจ้าข้ารู้ว่าเจ้าต้องการอะไรเจ้าอยากจะเห็นนก ท้องใช่ไหมล่ะแล้วยังไงฟังข้านะเจ้าจะต้องไปถึงหมู่บ้านตอนครับเจ้า <owe v iz inho> จะเห็นที่พักที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกันหลังหนึ่งจะมีความงามและน่าอยู่มากแต่อีกหลังก็ดูโซมจนมองไม่ไหวเลือกหลังโสมเพื่อที่จะพักคืนนี้แต่เขาคิดว่าสัตว์ป่าจะรู้อะไรกับเรื่องแบบนี้ เขาเลยยิงธนูใส่จิ้งจอกแต่เขายิงพลาดและจิ้งจอกเลยวิ่งเข้าป่าหลังจากนั้นเขาเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านที่มีที่พักสองแห่งที่นั่นเขาเห็นผู้คนกินอาหารเต้นรำและทำเพลงแต่ที่บ้านอีกหลังดูสกรปรกและยากจนมากเขาเลยคิดว่าข้าคงโง่แน่ถ้าข้าเลือกบ้านโสมนั่นเน่เขาเลยไปที่บ้านหรูหรา กินดื่มตามสบายใจเขาลืมนกไปเลยว่าเขาออกมาทำอะไรเวลาผ่านไปเมื่อลูกชายไม่กลับมาลูกชายคนที่สองเลยเดินทางออกไปและเกิดเรื่องเดียวกันเขาเจอจิ้งจอกจิ้งจอกแนะนำเขาแต่เมื่อเขาไปถึงหมู่บ้านพี่ชายของเขาก็เรียกเขาให้ไปร่วมวงด้วย เขาเลยเข้าไปร่วมวงและลืมนกสีทองกลับประเทศของเขาเหมือนกันเวลาผ่านไปอีกครั้งลูกชายคนสุดท้ายก็อยากจะตามหานกทองท่านพ่อให้ข้าไปเถอะแต่พ่อเขากลัวมากพ่อเสียลูกชายไปสองคนแล้วแต่พ่อจะไม่เสียข้าไปท่านพ่อเชื่อข้าสุดท้ายพ่อเขาก็ยอม เขาเลยเดินทางออกไปป่าเจอจิ้งจอกและได้ยินคำแนะนำที่เหมือนกันเข้าบ้านสมโสมถ้าเจ้านะ่ะอยากจะเจอนกทองขอบคุณท่จิ้งจอกฉลาดนั่งหางข้าซิเจ้าจะได้เดินทางเร็วขึ้นไม่นานพวกเขาก็ไปถึงหมู่บ้านลูกชายเข้าไปในบ้านสมโสมและพักที่นั่นทั้งคืนตอนเช้าจิ้งจอกก็มาอีก และมาแนะนำอีกครั้งเอาละ่ะตรงหน้าไปจนถึงปราสาทก่อนจะเข้าวังเจ้าจะเห็นกองทหารที่กำลังนอนหลับอยู่อย่าไปสนใจพวกเขาเข้าปราสาทไปและเจ้าจะเห็นห้องที่มีนกสีทองในกรงไม้และใกล้ๆนั้นก็จะมีกรงทองที่ว่างเปล่าแต่อย่าพยายามเปลี่ยนกรงนะไม่งั้นเจ้าจะต้องเสียใจ หลังจากนั้นจิงจอกก็ยืดหางออกไปชายหนุ่มเลยนั่งบนหางและไปถึงปราสาทหน้าประตูประสาทเขาเลยเข้าไปและเจอห้องอย่างที่จิงจอกเล่าให้ฟังมันจะต้องเป็นอะไรที่ไม่เหมาะสมมากแน่ที่จะเอานกสวยๆนี่กลับไปในกรงสมแต่ทันทีที่เขาเปิดกรงเพื่อเปลี่ยนนกนกก็เริ่มร้องเสียงดังมันทำให้ทหารที่หลับอยู่ตื่นขึ้น ก็ถูกจับเข้าคุกท้าวันถัดมาทางสารก็เลยตัดสินคดีเขาและเมื่อคดีถูกตัดสินเขาเลยต้องโทษประหารโอ้ท่านราชาที่เมตตาโปรดเมตตาชีวิตข้าด้วยข้าจะไว้ชีวิตเจ้าในเงื่อนไขเดียวเอาม้าสีทองมามันสามารถวิ่งเร็วได้เท่าสายลมและข้าจะไว้ชีวิตเจ้าและเอานกสีทองให้กับเจ้า เขาออกเดินทางเมื่อเพื่อนจิงจอกรอพบเขาเขาบอกว่าเห็นหรือยังว่าเกิดอะไรขึ้นที่เจ้าไม่ฟังคำของข้าแต่เจ้าเป็นคนดีข้าเลยยังจะช่วยเจ้าต่อเพื่อที่จะหาม้าทองเจ้าต้องเดินหน้าต่อไปเจ้าต้องไปที่ปราสาทหนึ่งที่มีม้ายืนอยู่ในคอกของมันข้างๆเนี่ยมันจะมีชายคนหนึ่งนอนหลับและกลนอยู่ าม้ากลับมาอย่างเงียบๆแต่อย่าลืมที่จะเอาอ่านม้าเก่าๆใส่ให้มันไม่ใช่อ่านม้าทองใกล้ๆนั่นทุกอย่างเป็นไปได้สวยงามและเมื่อลูกชายคนเล็กเห็นม้าทองก็เลยคิดว่าข้าจะเอาอานทองให้เขาข้ามั่นใจว่าเขาคู่ควรแต่ทันทีที่เขาหยิบอ่านทองชายคูนั้นก็ตื่นมาแล้วร้องเสียงดังยามทุกคนเลยปรีดเข้ามาจับเขาเข้าคุก และเขาถูกสั่งประหารแต่เขาขอร้องอีกครั้งถ้าเจ้าเอาเจ้าหญิงสวยมาให้กับข้าข้าจะไว้ชีวิตเจ้าและเจ้าจะได้ทั้งนกและก็ม้าด้วยหลังจากนั้นเขาออกเดินทางและเจอจิ้งจอกอีกแล้วถ้าเจ้าฟังข้าเจ้าคงจะได้ทั้งนกและก็ม้าแต่ว่าข้าจะช่วยเจ้าเป็นครั้งสุดท้าย เดินหน้าต่อไปไปที่วังเลยทันทีไปหาเจ้าหญิงและจูบนางตอนกลางคืนเนี่ยเจ้าหญิงจะไปที่โรงอาบน้ำของนางนางจะให้เจ้านำทางแต่ระวังละ่ะอย่าปล่อยให้นางไปบอกลาพ่อกับแม่ของนางเมื่อเขาไปที่ปราสาททุกอย่างก็เป็นไปตามที่จิ้งจอกบอกเขาไปเจอกับเจ้าหญิงและจูบเจ้าหญิง <S <S เจ้าหญิงยอมที่จะหนีไปกับเขาแต่เจ้าหญิงร้องขอว่าให้นางไปบอกลาพ่อแม่ของนางสุดท้ายเขาก็ยอมแต่ทันทีที่เจ้าหญิงไปหาพ่อของนางเขาก็เลยโดนจับอีกครั้งเจ้าไปมีทางในตัวลูกสาวข้าไปจนกว่าเจ้าจะขุดเนินเขานั่นที่บางวิวน้าต่างของข้าจนหมดหน้าผานั้นใหญ่มาก ไม่มีอะไรที่จะลบมันออกไปได้หลังจากนั้นผ่านไปเจ็ดวันหลังจากที่งานไม่คืบหน้าเขานั่งตรงนั้นอย่างสิ้นหวังและเพื่อนของเขาจิ้งจอกเลยยอมไปช่วยเขาอีกครั้งไปนอนซะข้าจะทำงานให้เจ้าเองเมื่อถึงเช้าเนินเขาก็หายไปราชายมีความสุขและให้ตัวเจ้าหญิงกับเขาและชายหนุ่มก็เดินทางกับเจ้าหญิงเขาก็เจอกับจิ้งจอกอีกครั้ง เจ้าสามารถมีได้ทั้งสามอย่างเจ้าหญิงมา้าแล้วก่อนนกจริงเหรอยังไงละ่ะฟังข้าไปหาเขาแล้วมอบตัวเจ้าหญิงให้เขาเขาจะดีใจมากมาและเจ้าจะต้องขี่มา้าและจับมือบอกลาพวกเขาจับมือเจ้าหญิงเป็นคนสุดท้าย แล้วรีบอุ้มเจ้าหญิงมาขี่ม้าหนีไปให้เร็วที่สุดหลังจากนั้นไปที่วังที่มีนกข้าจะอยู่กับเจ้าหญิงที่ประตูเอาม้าให้ราชาดูเขาจะเอานกออกมาให้กับเจ้าเจ้าบอกไปเสวาวาสเจ้าอยากจะดูนกว่ามันเป็นนกตัวจริงหรือเปล่าและเมื่อเจ้าได้โรงนั่นมาก็รีบหนีมาเลย อย่างเกิดขึ้นตามที่จิ้งจอกบอกขอบคุณเพื่อนยากเจ้าเป็นที่ปรึกษาที่ดีข้าเป็นนี่เจ้าจริงๆถ้าอย่างนั้นก็ขอละค่าข่าเธออะไรนะข้าไม่ทำแบบนั้นแน่เจ้าเป็นเพื่อนข้าได้ถ้าเจ้าต้องการแบบนั้นข้าจะแนะนำให้เจ้าสองอย่างระวังสองอย่างระหว่างทางกลับบ้าน อย่าไปช่วยใครระหว่างทางแล้วก็อย้านั่งพักข้างริมแม่น้ำเขานั่งมากลับไปกับเจ้าหญิงสุดท้ายเขาก็ไปถึงหมู่บ้านที่พี่ชายของเขาอยู่หลังจากนั้นเขาได้ยินเสียงดังโหหก้องเขาเห็นชายสองคนที่กำลังจะโดนแขวนคอเขาเลยสงสัยเข้าไปใกล้ๆเห็นว่าชายสองคนนั้นคือพี่ชายของเขาที่กลายเป็นโจร เอาเงินทั้งหมดของข้าไปแต่ไว้ชีวิตพี่ชายข้านะหลังจากที่ช่วยพี่ชายของเขาพวกเขาไปที่ป่าที่ที่จิ้งจอกเจอพวกเขาครั้งแรกและพี่ชายสองคนบอกว่าขอเรานั่งข้างๆแม่น้ำพักหน่อยเถอะข้าจะได้กินและดื่มน้องชายเลยลืมลืมคำแนะนำของจิ้งจอกเขาไปนั่งเที่ยิมแม่น้ำและในขณะที่เขาไม่สงสัยอะไร พี่ชายสองคนของเขาก็ผลักเขาจนตกน้ำชิงตัวเจ้าหญิงมานกและกลับบ้านไปหาราชาของพวกเขาท่านราชาเรากลับมาพร้อมกับนกสีทองและมากไปกว่านั้นเราได้หามาให้ด้วยความลำบากของเราเองหลังจากนั้นก็เกิดความสุขสรรแต่มาไม่ยอมกินนกไม่ยอมร้อง และเจ้าหญิงร้องไห้ไม่หยุดลูกคนเล็กตกลงไปที่ก้นของแม่น้าโชคดีที่แม่น้าเกือบจะแห้งแต่แม่น้าลึกมากจนเขาปินกลับไปไม่ได้หลังจากนั้นจิ้งจอกก็มาช่วยเขาอีกครั้งถ้าเจ้าฟังข้าเจ้าก็คงจะไม่เจออันตรายอะไรทั้งนั้นแต่เจ้าเป็นเพื่อนข้าขาทิ้งเจ้าไม่ได้เอาละ จับหางฆ่าแน่นๆนะจริงจอกเลยเดึงเข้าขึ้นมาจากแม่น้ำพี่ชายของเจ้าพยายามจะฆ่าเจ้าถ้าพวกนั้นเจอเจ้าในอนันจักเขาเลยแต่งตัวเป็นคนจนและแอบเข้าไปที่ห้องของราชาและเขาค่อยๆเดินเข้าประตูม้าก็เริ่มกินหญ้านกก็เริ่มร้องเพลงเจ้าหญิงเริ่มที่จะหายร้องไห้ <c oughs> หลังจากนั้น เขาไปหาราชาและเล่าเรื่องวิลกรรมของพี่ชายของเขาให้ราชาฟังพวกเขาโดนลงโทษและเขาก็ได้รับเจ้าหญิงของเขากลับไปหลังจากที่ราชาตายเขาก็ได้เป็นทายาทของพระราชวังหลังจากนั้นหลายปีเขาก็ออกเดินเล่นในป่าและเจ้าจิ้งจอกแก่ก็เจอเขาเขาขอร้องด้วยน้ำตาให้ฆ่าเขาซะถ่วยเธอเพื่อนข้า ข้าขอเจ้าแกะครั้งเดียวข้าข้าเธอและลูกชายคนเล็กก็ยอมอย่างเศร้าทันทีที่เขาข้าจิ้งจอกจิ้งจอกกลายเป็นชายคนหนึ่งปรากฏว่าจิ้งจอกนั้นคือพี่ชายขององค์หญิงที่หายตัวไปนานมาแล้วหลายปี